เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตาการรนาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดกรนยายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาฟังเทศฟังธรรม ฟังพะ่ะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นความรู้ที่ประเสริฐเป็นความรู้เหนือความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เพราะเป็นความรู้ชนิดเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผู้รู้ได้รอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ความรู้ในโลกนี้ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามระดับสูงสุดคือระดับปริญญาเองก็ยังเป็นความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดจากความทุกข์นั่นเองต่อให้เรียนจบปริญญาตรีโทเลยเองใจของผู้จบปริญญา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 ยับยั้งความทุกข์ภายในใจของเราให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ความรู้ทาง พ, พุทธศาสนานี้จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้อย่างสิ้นเชิงถ้าเรามีความรู้เต็มร้อยของ พ, พุทธศาสนาเราจะสามารถ ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเราเลยเราจะไม่ทุกข์กับความแก่เราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุกข์กับความตายเราจะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของราบของยศของสรรเสริญและของบุคคลและสิ่งของต่างๆ เพราะเรามีความรู้ที่จะหักพ้างจิตใจของเราไม่ให้สร้างความทุกข์ขึ้นมานั่นเองนี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาที่พวกเราเข้ามาหากันมาหาที่พึ่งทางใจมาหาที่พึ่งที่จะป้องกัน ไม่ให้ใจของเราต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆดังนั้นการมาวัดจึงเป็นการมาสร้างที่พึ่งมาสร้างที่หลอดภัยด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาสิ่งที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ พอได้ปฏิบัติแล้วก็จะมีที่พึ่งทางใจปรากฏขึ้นมาถ้าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้อ่านแต่ไม่นําเอาไปปฏิบัติที่พึ่งทางใจก็ยังจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับเราดูแผนผังแบบของบ้านที่เราจะสร้างแต่เราไม่ไปสร้าง บ้านที่เราต้องการก็ยังจะไม่เกิดขึ้นมาบ้านจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราเอาแบบแผนของบ้านที่เราต้องการจะสร้างไปสร้างด้วยตัวเราเอ ง, ห ร, อรงหรือจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างมาสร้างบ้านให้กับเราพอเขาดาเนินการสร้างแล้วไม่นานเราก็จะได้บ้าน สำเร็จสมบูรณ์เป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบไฟต่างๆได้ฉันใดที่พึ่งทางใจของเราก็ต้องเกิดจากการเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติกับตัวของเราเองกับกายวาจาใจของเราแล้วเราก็จะได้มีที่พึ่งทางใจ ที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆสิ่ ง, งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษาให้รู้กันนี้ก็มีอยู่เจ็ดข้อด้วยกันคือหนึ่งให้รู้เหตุ 2. ให้รู้ผลสให้รู้ตน 4. ให้รู้บุคคล ห้าให้รู้สังคมหกให้รู้การละเทศะและเจ็ดให้รู้ประมาณนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้กันถ้าเรารู้สิ่งทั้งเจ็ดประการนี้แล้วเราสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามตามคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าได้ เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองคือรู้เหตุและรู้ผลเป็นของคู่กัน เ, เหมือนสามีภรรยาแต่ของนี้คู่กันเหมือนกับพ่อแม่กับลูกคือเหตุนี้เป็นต้นผลนี้เป็นปลายเหตุเป็นเหมือนพ่อแม่ ส่วนผลเป็นเหมือนลูกๆลูกๆจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีพ่อแม่ถึงจะเกิดมาได้ฉันใดผลต่างๆที่พวกเรากําลังได้รับอยู่ในขณะนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากเหตุเหตุคืออะไรเหตุก็คือการกระทําของเราเองเช่นการกระทําทางกาย ทางวาจาและทาใจนี่แหละคือต้นเหตุที่จะทำให้เกิดผลต่างๆเกิดขึ้นกับเราผลที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรก็คือความสุขความเจริญหรือความทุกข์หรือความวุ่นวายความเสื่อมเสียต่างๆไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นเกิดจากการกระทำของเราเอง เกิดจากการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือความคิดต่างๆทางวาจาก็คือการพูดด้วยปากทางกายก็คือการกระทำทางร่างกายพอกระทำแล้วก็จะเกิดผลตามมาเช่นถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีทำดีพอเราคิดดีพูดดีทำดี เราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาจิตใจของเราก็จะสูงขึ้นจเจริญขึ้นไปนี่คือผลผลที่แท้จริงที่เกิดจากการกระทาของเรานี่อยู่ข้างในใจของเราไม่ได้ผลที่เกิดจากภายนอกเช่นได้รับรางวัลเวลาเราทำความดีเช่นเวลาคนเขา ทำของหล่นทำเงินหล่นเราเก็บเงินไว้แล้วก็ไปมอบให้กับเจ้าของเจ้าของเขาก็ขอบอกขอบใจหรือให้เงินเป็นสิ่งตอบแทนมาแต่นี่ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการจากการทำความดีผลที่เกิดจากการทำความดีก็คือเรามีความสุขใจเรามีความภูมิใจ ที่เราสามารถทำในสิ่งที่ยากได้เพราะใจของเรายังมีมีมีสิ่งที่พยายามชุดลากให้เราลงต่ำก็คือความโลภความอยากความเห็นแก่ตัวถ้าเราเอาชนะความโลภความอยากความเห็นแก่ตัวไม่ได้ เวลาเราเก็บเงินทองของผู้อื่นได้แทนที่เราจะเอาไปมอบให้กับเจ้าของเราก็จะเก็บเอาไว้ใช้เองเราก็จะไม่ได้ทําความดีเราก็จะไม่ได้รับความสุขใจจิตใจของเราก็ไม่สูงขึ้นจิตใจของเราจะสูงขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ชนะ ความโลภความโกรธความหลงนี่คือเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามันทำกันคือมันสร้างเหตุที่ดีคิดดีพูดดีทำดีอย่างในวันนี้ท่านมีความคิดดีก่อนจะออกจากบ้านก็คิดไว้ล่วงหน้าว่าวันนี้จะมาวัดจะมาทำความดี จะมาพูดดีพูดดีก็คือชวนเพื่อนชวนพี่น้องชวนสามีชวนภรรยาชวนบุตรทิดามาทาบุญมาฟังเทศฟังธรรมกันนี่คือการพูดดีเพราะจะทําให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังพอผู้ฟังได้ยินก็จะคิดอยากจะมาทําบุญด้วย พ อ, อมาแล้วก็จะได้มาทําบุญมาวัดก็ได้ทําบุญหลายอย่างบุญชนิดแรกก็คือบุญที่เกิดจากการกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พราะการกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะทําให้เราเกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมาพราะการกราบพระนี้เราไม่ได้กราบเฉยๆด้วยกิริยา ทางร่างกายเพียงอย่างเดียวเรากราบทางใจด้วยด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั่นเองพอเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงความดีงามของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าระลึกถึงความดีงามของพระอริยสงสาวก ก็จะทำให้เราเกิดมีกำลังใจที่อยากจะทำความดีตามพระพุทธเจ้าตามพระอริยสงสาวน์นี่คือบุญขั้นที่หนึ่งที่เราจะได้จากการมาวันจะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำความดีบุญที่สองก็เกิดจากการทำทานถวายทาน ถวายข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆเป็นการเสียสละแบกปันเป็นการเอาชนะความตนหีเอาชนะความเห็นแก่ตัวเอาชนะความโลภอยากได้ไม่อยากเสียวันนี้เรามาพลิกกลับกันวันนี้อยากเสียไม่อยากได้เท่ากับชนะกิเลสคือความโลภ การชนะกิเลสจะทำให้ใจเรามีความสุขทำใจให้เราสบายนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นนอกจากทำทานแล้วยังได้รักษาศีลแล้วยังได้ศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเกิดมีความฉลาดเพิ่มมากขึ้นไป เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างสิ้นเชิงได้อย่างถาวรต้องเกิดจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเรียนจบเหมือนกับเรียนในมาหาวิทยาลัยเราต้องเข้าห้องเรียน ศึกษาจากครูอาจารย์ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้รับปริญญาฉันใดการศึกษาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องหมั่นฟังไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจบระดับปริญญาอีกคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างถาหวรน นี่คือบุญต่างๆที่เราจะได้รับจากการมาวัดเป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์ลดน้อยลงไปและจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขความทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะหมดไปได้นี่แหละคือเหตุที่จะทำให้เกิดผล ที่พวกเราปรารถนาการอย่างแท้จริงผลภายนอกนี้ไม่เป็นผลที่แท้จริงเพราะเป็นผลปลอมเป็นผลชั่วคราวเช่นรางวี่รางวัลที่เราได้รับมาหรือการได้รับตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศก็เป็นของชั่วคราวในที่สุดก็ต้องเสื่อมหมดไป แต่ความสุขความเจริญของใจนี้ไม่เสื่อมหมดไปกับการเสื่อมของร่างกายใจของเราจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจากมนุษย์เราก็จะก้าวขึ้นสู่เทวดาจากเทวดาเราก็จะก้าวสู่พรหมโลกเป็นพรหมจากพรหมเราก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ จนในที่สุดก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์นี่คือความเจริญก้าวหน้าที่เป็นผลที่เกิดจากการกระทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือการรู้เหตุและการรู้ผลให้รู้ว่าเราจะเจริญหรือเราจะเสื่อมเราจะไปสวรรค์หรือเราจะไปนรก อยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็จะไปสวรรค์ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะไปนรกไปอบายขอให้เราเชื่อคำสอนของพระพธธุทธเจ้าพราเป็น ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วรับรองแล้วเหมือนกับสินค้าปัจจุบันนี้เขาจะติดป้ายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมถ้าเราเห็นป้ายที่เขาติดเราซื้อสินค้านั้นมาเราจะไม่ผิดหวังเราจะรู้ว่าเขาได้ทดสอบคุณภาพอย่างเต็มที่แล้วของดีจริงๆฉันใด คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นของดีจริงๆไม่ใช่ของปลอมทำแล้วจะได้ผลจริงๆรับรองโดยพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายไม่มีพระสาวกแม้แต่รูปเดียวที่จะมาบ่นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไม่เป็นความจริงไม่มีเลย มีแต่สาวกทุกๆรูปที่ออกมายืนยันกันเป็นคำเดียวกันว่าสวาขาโตภะวตาธรรมโมทรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทั้งหมดผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนี่คือการรู้เหตุรู้ผล ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราจเจริญมีความสุขขอให้เราคิดดีพูดดีทำดีอย่างที่พวกเรามาทำกันในวันนี้ขอให้ทำกันต่อไปทำกันให้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วรับรองได้ว่าในไม่ช้าก็เร็วเราจะได้รับผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนี่คือเรื่อง ความรู้เหตุและรู้ผลข้อที่สาท่านทรงสอนให้เรารู้ตนคือให้เรารู้จักตัวเราเองเพราะตัวเราเองนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เพราะถ้าเราไม่รู้เราอาจจะไม่รู้จักดูแลตัวเราเองให้ถูกต้องนั่นเองเช่นตัวเรานี้เราเป็นหญิงหรือเป็นชาย เป็นหญิงก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นชายก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นลูกศิษย์ก็ทาตัวไม่เหมือนกันครูก็มีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็มีหน้าที่ฟังศึกษาจากครูจากอาจารย์ไม่ใช่กลับกัน ลูกศิษย์มาสอนอาจารย์อาจารย์มาเรียนจากลูกศิษย์อย่างนี้ก็จะผิดก็จะกลายเป็นของแปลกไปการทําตัวของเราให้เหมาะสมกับฐานะของเราก็จะทําให้ไม่มีปัญหาตามมานั่นเองถ้าเราเป็นหญิงแล้วเราทําตัวเป็นชายเราก็จะอยู่กับพวกผู้หญิงไม่ได้ ถ้าเราเป็นชายแล้วเราทำตัวเป็นผู้หญิงเราก็จะไปอยู่กับอยู่กับพวกผู้ชายไม่ได้เพราะมันทำตัวไม่เหมือนกับเขาเราก็จะลำ บ, บากจะเข้ากับใครไม่ได้เข้ากับหญิงก็ไม่ได้เพราะหน้าตารูปร่างเป็นผู้ชายเข้ากับผู้ชายไม่ได้เพราะทำตัวเป็นผู้หญิงอย่างนั้นตัวของเราก็จะมีปัญหาได้ ถ้าเราไม่รู้จักวางตัวของเราให้ถูกต้องตามฐานะของเรานี่คือการรู้จักตนต้องรู้จักว่าเราเป็นอะไรแล้วทาตัวเราให้เหมาะสมกับความเป็นตัวของเราข้อที่สี่ก็คือให้รู้บุคคลบุคคลที่เรารู้จักก็มีหลายฐานะด้วยกันมีหลายแบบด้วยกัน คนที่เรารู้จักคนที่เขามีพระคุณกับเราก็มีไม่มีพระคุณกับเราก็มีการที่เราจะปฏิบัติคนที่มีพระคุณกับคนที่ไม่มีพระคุณนี้ก็มีความแตกต่างกันเช่นคนมีพระคุณเราก็ต้องให้ความเคารพเราต้องให้ความกตัญญูกตเวทีเราต้องสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเรา และถ้าเรามีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณเราก็ควรที่จะทดแทนบุญคุณคือบุคคลต่างๆในสังคมนี้มีฐานะต่างกันไปบางคนก็มีฐานะสูงบางคนก็มีฐานะปานกลางบางคนก็มีฐานะต่ำเราก็มีฐานะไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเราพบปากกับบุคคล ที่เขามีฐานะที่สูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพคนที่มีฐานะปานกลางเท่ากับเราเราก็ให้ความสนิท ส, สนสนมได้คนที่มีฐานะต่ำกว่าเราเราก็ควรที่จะให้ความเมตตาการุณาเอื้อเฟื้อเกือเก้อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราพอที่จะแบ่งปันให้ได้ ถ้าเรารู้จักวิธีรู้จักบุคคลและปฏิบัติกับบุคคลให้สมกับฐานะของเขาเราก็จะไม่มีปัญหากับใครปัญหาของเราที่เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆก็เพราะว่าเราไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลนั้นเองคนที่มีคุปตคุณเราก็ไม่มีความกระตั้นอยู่เราไม่มีความเคารพ อย่างนี้ก็ทำให้บุคคลที่เขามีพระคุณกับเราไม่ชอบเราได้หรือจะไม่สนับสนุนไม่ช่วยเหลือเราต่อไปได้ดังนั้นถ้าเราทาปฏิบัติกับบุคคลให้ถูกต้องกับฐานะของเขาเราก็จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเราความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลต่าง ก็จะเป็นไปได้อย่างดีอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือรู้จักบุคคลข้อที่ห้าก็คือให้รู้จักสังคมสังคมก็คือกฎระเบียบต่างๆของสังคมที่เราอยู่ด้วยสังคมนี้ก็มีหลายระดับสังคมระดับเล็กก็คือครอบครัว เราอยู่ในบ้านครอบครัวเราก็มีขนมรมเนียมประเพณีที่ต่างกันครอบครัวของเราอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวของคนอื่นเราอยู่ครอบครัวของเราเราก็ต้องรู้จักกฎระเบียบของขอครอบครัวเรา mm. เช่นพ่อแม่อาจจะตั้งกฎว่าไม่ให้ดูทีวีหลังจากสามทุ่มไปแล้วให้เข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มอย่างนี้ เวลาเย็นกลับมาบ้านต้องทำการบ้านก่อนก่อนที่จะเที่ยวจะเล่นได้อันนี้ก็เรื่องเรื่องของสังคมในบ้านถ้าเราไม่ทำตามกฎกติกาเราก็อาจจะถูกลงโทษได้หรือถูกจับขับไล่ออกจากสังคมนั้นได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมใดเราต้องศึกษากฎระเบียบของสังคมนั้น สังคมในบ้านสังคมในโรงเรียนสังคมในที่ทำงานสังคมในประเทศสังคมในวัดเนี่ยมันน่แต่ละที่จะมีกฎมีระเบียบที่ต่างกันไปถ้าเราทำผิดกฎผิดระเบียบเราก็จะไม่สามารถอยู่ในสังคมนั้นได้เช่นถ้าเรามาบวชเป็นพระ แล้วเราไม่ศึกษาพระวินัยศีนสองร2อข้อแล้วเราไปทาผิดพระวินัยข้อร้ายแรงเช่นไปร่วมหลับนอนกับสีกาถ้าถูกจับได้เขาก็ต้องจับเราศึกไปจะไม่สามารถอยู่เป็นพระได้ต่อไปดังนั้นการรู้สังคมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากถ้าเราอยากจะอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติไม่ถูกจับไปลงโทษหรือไม่ถูกจับไปขับไล่ออกจากสังคมนี่คือเรื่องของการรู้สังคมข้อต่อมาข้อที่ห<ม>ก็ให้รู้จักกาลเทศะรู้จักกาลเทศะก็ให้รู้เวลารู้สถานที่นั่นเองเวลาเราไปสถานที่ใดเขากําลังมีการกระทําอะไรอยู่ เราก็ต้องกระทำให้เหมาะ ก, กับการกระทาของสถานที่นั่นเช่นเวลาเราไปที่สถานบันเทิงมีการร้องลําทำเพลงเราก็ต้องร้องลําทำเพลงกไปกับเขาไม่ใช่ไปนั่งหลับตานั่งสมาธิในสถานบันเทิงเวลาเรามาวัดขณะที่มีการแสดงทำมีการนั่งสมาธิ เราก็ไม่ควรร้องลัมทำเพลงไม่ควรทำเสียงเอื้กระทึกกึกโครมไม่ควรกระทำอะไรจ่งางๆที่จะรบกวนผู้ที่เขากำลังทำอะไรกันอยู่<ม>เช่นกำลังนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรามาสายเราอยากจะรีบถวายของ<ม>ก็เลยจัดข้าวจัดของในระหว่างที่เขา กำลังนั่งฟังเทศฟังธรรมกันส่งเสียงดังแล้วก็เอามาถวายให้กับพระนี่คือการกระทาที่เรียกว่าไม่รู้จักการละเทศะดังนั้นเวลาเราไปที่ไหนสถานที่ใดมีกิจกรรมอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่เราควรใช้ตาดูหูฟังแล้วใจควรจะคิดว่า เอตอนนี้เราควรจะทำหรือไม่ควรจะทำอะไรถ้าเราไม่รู้ก็ถามได้ถ้าเราไม่แน่ใจก็อยู่เฉยๆไปก่อนแล้วรอดูเหตุการณ์ไปก่อนว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ไม่ไม่รู้การลากเทสะเราก็จะทำตัวให้กลายเป็นคนแปลกไป ไปที่ไหนก็มักจะทําให้วงแตกไปที่ไหนก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครเขาอยากจะให้มาเข้าวงด้วยไปที่ไหนก็ทําให้เสียหายเกิดความเสียหายขึ้นมานี่คือเรื่องของการรู้จักการลเทศะข้อสุดท้ายก็คือรู้จักประมาณคือให้รู้จักความพอดีนั่นเอง อะไรก็ตามถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีถึงจะดีสิ่งที่เราควรจะรู้จักประมาณในเบื้องต้นก็คือปัจจัยสี่ที่เราใช้ในการบริโภคเพื่อไว้ดูแลรักษาร่างกายของเราชีวิตของเรา เราควรจะรู้จักการรับประทานอาหารพอประมาณคือไม่รับประทานมากจนเกินไปไม่รับประทานน้อยจนเกินไปรับประทานมากก็จะทำให้ร่างกายอ้วนเกินไปทำให้เสียหุ่นเสียรูปร่างที่น่าดูไปแล้วก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมา โรคที่เกิดจากการรับประทานมากเกินไปเช่นเบาหวานไขมันอุดตันโรคหัวใจโรคความดันสูงอาจจะถึงแก่เสียชีวิตหรือเป็นอามาัอามพฤกอัมพาตไปได้ถ้าไม่รู้จักการรับประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานน้อยเกินไปก็เกิดโทษกับร่างกายได้ ทำให้ร่างกายสู้ผอมเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะทำอะไรได้ดังนั้นเราต้องรู้จักประมาณคนบางคนอยากจะรักษาหุ่นกลัวจะอ้วนก็เลยพยายามกินน้อยๆกินจนกระทั่งสู้ผอม อ, อย่างนี้ก็ไม่ดีต้องให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่เดือดร้อนกับการรับประทานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนี่คือการรู้จักประมาณเช่นเดียวกับเครื่องนุ่งหงเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆของใช้ต่างๆก็ต้องพอประมาณอย่ามากเกินไปเพราะการมีมากๆไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ถ้ามีน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นได้เช่นถ้ามีเสื้อผ้าอยู่เพียงชุดสองชุดเกิดเวลาฝนตกซักไม่ทันไม่แห้งก็ต้องใส่ชุดเก่าไปก่อนก็จะไปส่งกลิ่นเหม็นให้กับคนอื่นเขาได้ดมก็จะตระเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีกับความ ต้องการกับการจำเป็นที่จะต้องใช้นี่คือเรื่องของการรู้จักประมาณต้องรู้จักความพอดีถ้าพอดีแล้วชีวิตเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่แหละคือความรู้ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ตามมา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาความรู้ทั้งเจ็ประการนี้คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตอนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้ประมาณให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการจะได้ ก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้อขอคุณพศรีรัตนตราและบุญกุศลที่ท่านได้มามาังเพนการในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้วท่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหา้าตามเ